วันนี้เป็นวันอังคารที่15เมษายนพุทธศักราช2568เป็นช่วงวันหยุดสงการสาธุชนพุทธบ ร, ริษัต์จึงมีเวลาว่างไม่ต้องไปทำงานทำการจึงได้ใช้เวลาของวันหยุดนี้มาพังเทศพังธรรม มาศึกษามาเรียนรู้ธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ชีวิตจิตใ จ, จของตนธรรมะที่จะเอามาแสดงในวันนี้ก็คือเรื่องสังสารวัตรสังสารวัตนี้เป็นชื่อของเรือนจำ หรือทันทสถานที่จะกักขังพวกดวงวิญญาณของสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังอยู่ภายใต้อํานาจของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาทันสถานแห่งนี้เป็นที่กักขังสัตว์โลกดวงวิญญาณของสัตว์โลก ที่ยังมีกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาอยู่เดือนจำแห่งนี้มีกำแพงอยู่สี่ด้านด้วยกันล้อมรอบด้านหนึ่งเรียกว่าเกิดด้านที่สองเรียกว่าแก่ด้านที่สามเรียกว่าเจ็บและด้านที่สี่เรียกว่าตายนี่คือทันทสถาน และในทันธาสถานหรือเรือนจำนี้ก็จะมีแบ่งไว้เป็นสามส่วนด้วยกันสามโซนโซนที่หนึ่งนี้ยากักขังพวกดวงวิญญาณที่เสพกรรมคือพวกที่ยินดีกับการหาความสุขจากการเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลพัภาชนิดต่างๆก็จะอยู่ในโซนของกามพบ พวกที่ส่วนโซนที่สองก็ไว้กักขังพวกที่เสพรูปประฌานพวกที่ชอบเข้าสมาธิเข้าฌานในระดับรูปประฌานก็จะถูกกักขังอยู่ในโซนนี้เรียกว่ารูปภพและโซนที่สาก็คือโซนสําหรับผู้ที่เสบรูปประฌานหรือนั่งสมาธิได้ย ในระดับของอรูปฌานก็จะไปอยู่ที่โซนที่สามนี้เรียกว่าอารูปภพนี่คือที่กักขังดวงวิญญาณของสารโลกอย่างพวกเราทุกคนพวกเรานี้จะถูกกักขังอยู่ในกามภพเพราะพวกเราทุกคน นี้มีความยินดีกับการเสพกามชอบเสพกามมีกามะตัญหาความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลสะพชนิดต่างๆอยู่เรื่อยๆถึงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโซนนี้โซ น, นี้ก็จะมีแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันส่วนที่เรียกว่าสุขติและส่วนที่เรียกว่าทุกขติ ส่วนส่วนที่เรียกว่าสุคติ ก, ก็คือดวงพวกดวงวิญ ญ, ญาณที่ทำบุญทำทานที่ไม่ทำบาปที่รักษาศีลห้าทำบุญทำทานเวลาตายไปดวงวิญ ญ, ญาณก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆมีอยู่หกชั้นด้วยกันเรียกว่าเทพเป็นเทวดาแล้วก็เวลาหลังจากบุญที่ได้ทำไว้ หมดลงแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะมาทำบุญทำทานมารักษาศีลใหม่ตามนิสัยเดิมที่เคยทามาก็จะมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสุคตินี้ไปเรื่อยๆยกเว้นว่าถ้ากลับเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้ทำตามนิสัยเดิมเช่นอาจจะไปทำบา แทนที่จะรักษาศีลก็ไปทำบาปแทนที่จะทำบุญทาทานก็ไม่ทำอันนี้ก็สามารถจะเปลี่ยนวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดจากสุกคติไปสู่ทุกขคติได้ทุกขคติก็คือที่เวียนว่ายตายเกิดของดวงวิญญาณที่ชอบทำบาปทากรรมชอบเสพอบา ย, ยมุขตรงนี้ เวลามาเป็นมนุษย์ก็จะชอบหาความสุขจากการเสพอบายามุขต่างๆเช่นดื่มสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนชอบความเปรียดขานชอบคบกับคนที่เสพอบายามุขเป็นนิดเวลาตายไปใจหรือดวงวิญญาณก็จะไปเกิดในอบายสี่สถานด้วยกัน บางครั S <S <ther F> ้งก <ther F> ็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความหลงบางครั้งก็ไปเกิดเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความโลภบางครั้งก็ไปเกิดเป็นอสุรกายถ้าทำบาปด้วยความกลัวบางครั้งก็ไปตกนรกถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก่อเสียเทียดแฉ้ง ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในทุกขติไปเรื่อยๆพอพ้นออกมาจากบายกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาทำบาปใหม่มาเสบบาบายามุกใหม่ตายไปก็กลับไปเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่ในทุกขติใหม่แต่ก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้เวลาที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วอาจจะไม่ได้ทำบาปไม่ได้เสบบาบายมุก น้เปลี่ยนมาทาบุญทำทานรักษาศีลห้าแทนก็สามารถสลับขั้วได้สลับขั้วจากการไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติแล้วก็มาเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดในสุ ข, ขติบางพวกเวลาที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้ว<ม>ก็อาจจะไปพบกับบุคคลที่รู้จักวิธีหาความสุข จากการเข้าสมาธิเข้าฌานขั้นต่างๆ <S <S ก็อาจจะเปลี่ยนนิสัยจากการที่ชอบเสบรูปเสียงกลิก่นลดมาเป็นการมาเสพความสงบแทน <S <S แทนที่จะอยู่เป็นผู้คองเรือนก็อาจจะออกบวชแล้วก็ไปหาความสุขจากการเจริญสตินั่งสมาธิ ทำใจให้สงบเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆถ้าเข้าสู่ขั้นรูปฌปานได้เวลาตายไปดวงวิญญาณก็ไปอยู่ในรูปภพถ้าเข้าสู่ฌานขั้นระดับอรูปฌปานได้เวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะไปอยู่ในอรูปภพจนกว่ากำลังของสติที่ส่งให้ดวงวิญญาณนี้ไปอยู่ใน รูปภพเลือดรูปภพหมดกําลังลง<ม>ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะมาหาความสุขจากการเสพรูปประชานอรูปประชานใหม่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในรูปภพหรืออรูปภพไปเรื่อยๆถ้าบางครั้งมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการเข้าฌาน ก็มาหาความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสก็จะเปลี่ยนพบเวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะไม่ได้ไปสู่รูปภพหรืออารูปภพก็จะกลับมาเกิดในกามภพมาเป็นเทวดาดวงวิญญาณก็จะเป็นเทวดารักษาศีลห้าทำบุญทำทาน คือการนี่คือการเวียนว่ายตายเกิดของดวงวิญญาณต่างๆที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เหมือนกับถูกจำคุกตลอดชีวิตไม่มีโอกาสที่จะพ้นโทษได้นอกจากนานๆทีจะมีดวงวิญญาณที่ฉลาดที่สามารถค้นพบความจริงว่าการเวียนว่ายตายเกิด การติดคุกอยู่ในคุดคุกตารางของสังสารวัตนี้เกิดจากอํานาจของกิเลสตัณหาโมหะวิชาคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวตัณหาแล้วสามารถสร้างพลังของใจของดวงวิญญาณสู้กับกําลังของกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาได้จนสามารถเอาชัยชนะได้ ดวงวิญญาณดวงนั้นก็หลุดพ้นจากการถูกจองจาไปโดยปริยายแล้วเมื่อสามารถหลุดพ้นจากการติดคุกติดตารางในสังสารวัฏได้แล้วก็เอาวิธีเอาความรู้วิธีการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้มาเผยแผ่สั่งสอน ให้แก่ผู้อื่นต่อไปถ้าผู้อื่นได้ยินได้ฟังแล้วเกิดศรัทธาความเชื่อน้อมเอาไปปฏิบัติตามที่เรียกว่าปฏิบัติแบบสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงต่อมรรคผลนิพพาน ปฏิบัติเพื่อการดูดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดปฏิบัติอย่างถูกต้องสี่วิธีของการปฏิบัตินี้ถ้าปฏิบัติแบบนี้ก็จะสามารถดมลางหรือทำลายกิเลสตัณหาทั้งสามที่ครอบงาจิตใจให้หายไปได้หมดพอกิเลสตัณหาตัวที่ เป็นผู้ฉุดลากดวงวิญญาณให้ติดอยู่ในโคกตารางของสารวัตก็จะหมดกำลังลงพอไม่มีกิเลสคอยดึงไว้แล้วใจก็หลุดออกจากสังสารวัตได้ไปอยู่ที่นอกสังสารวัตที่อยู่นอกสังสารวัตนี้เราเรียกว่านิพพานนิพพานก็คือเป็นที่อยู่ของดวงวิญญาณที่หลุดพ้น จากอำนาจของการมาตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาได้แล้วจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปติดคุกติดระติดตารางไม่ต้องในุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายต่อไปนานๆจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าที่จะมาตัดสู้ความจริง ของการเวียนว่ายตายเกิดนี้และค้นพบวิธีในการที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้จึงจะสามารถทำให้ดวงวิญญาณของผู้ที่ถูกจำคุกตลอดชีวิตนี้ได้รับอภัยโทษได้รับการปลดปล่อยให้ออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของสังสารวัตได้ ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสโลดวงวิญญาณทั้งหลายอย่างพวกเรานี่ก็จะติดพุกไปเรื่อยๆบางคนก็ติดอยู่ในทุกขติบางคนก็ติดอยู่ในสุ ข, ขติบางคนก็ติดอยู่ในรูปภพบางคนก็ติดอยู่ในอรูปภพแต่ไม่มีใครจะสามารถออกจากสังสารวัฏนี้เพื่อเข้าสู่พระนิพพานได้ ต้องมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาตัดรูุ้ความจริงของการเวียนว่ายตายเกิดและเหตุที่จะนําให้การเวียนว่ายตายเกิดนี้สิ้นสุดลงได้ถ้าไม่ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งสอนหรือมีพระธรรมคําสั่งคําสอนเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าหรือมีพระอริยสงสาวุก เป็นตัวแทนนําเอาความจริงของการเวียนว่ายตายเกิดและความจริงของการยุยติการเวียนว่ายตายเกิดนี้มาเผยแผ่ก็จะ <c oughs> ถ้าไม่ได้เจอก็จะไม่มีโอกาสแต่ถ้าได้เจอก็จะมีโอกาสอย่างพวกเรานี้พบนี้ชาตินี้เราได้มาเจอ คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับจากพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ตามแต่ก็มีตัวแทนที่สามารถาทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้อยู่สองตัวแทนด้วยกันก็คือพระธรรมคําสั่งคําสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกและพระอริยสองสาวกขั้นต่างๆ ต, ตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไป พระอริยบุคคล น, นี้มีอยู่สี่ขั้นด้วยกันคือมีพระโสดาบันเป็นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองพระสกิดาคามีขั้นที่สามพระอนาคามีและขั้นที่สคือพระอรหรันต์ระอริยะบุคคล น, นี้ทั้งสี่ระดับนี้มีความแตกต่างกันตรงที่มีความสามารถชาระความอยากต่างๆความโลภความ ความหลงต่างๆให้หมดสิ้นไปมากน้อยต่างกันนั่นเองเช่นการที่จะตัดละความอยากตัวที่พาให้ดวงวิญญาณมาเกิดนี้อยู่เรื่อยๆได้ก็ต้องไปละความอยากที่แสดงไว้ในในสังโยชนิสิประการสังโยชนิสิประการนี้ก็เป็นตัวแทนของความอยาก องการมื่อทันหาภาวะทันหาและวิภาวะทันหาเช่นพระโสดาบันนี้ก็จะละสังโยชน์สามข้อแรกได้คือข้อที่หนึ่งก็คือสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าร่างกายขันห้านี้เป็นตัวเราของเราและความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้และการ คลืบคำในศีลไดออ้คือความไม่มั่นใจว่าการรักษาศีลนี้สำคัญอย่างไรจะเห็นว่าการรักษาศีลนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะถ้าไม่รักษาศีลแล้วดวงวิญญาณก็ยังต้องไปตกอยู่ในบาปต่อไป mm hmm. อ น, นี่คือสังโยชน์สามข้อแรกที่ พ, พระเาลียบุคคลขั้นที่หนึ่งได้ละแล้ว ท่านก็สามารถสอนนำมาสอนให้กับผู้อื่นได้ส่วนสังโยชน์กที่เหลืออีกนั้นท่านก็จะรู้วิธีของการละสังโยชน์ด้วยการใช้มรที่ได้เจริญมาในการละสังโยชน์สามข้อแรกนี้มาละสังโยชน์ท่านต่อไปได้มรที่จะใช้ก็คือสติปัญญาสติก็คือสมาธิในระดับ รูปฌปาญหรืออรูปปชาญปัญญาก็คือการเห็นอริยสัจสี่การเห็นใจรักษณ์ในสภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านก็จะสามารถใช้เครื่องมือนี้ไปละสังโยชน์ที่เหลืออยู่ไปได้ต่อไปพอละสังโยชน์สามได้แล้วก็มีหน้าที่ที่จะไปละสังโยชน์ข้อที่สี่ข้อที่ห้า สังยชนข้อที่สี่ข้อที่หก็คือการมราคะและปฏิคะการมราคะก็คือความอยากเสพมีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่นเรียกว่าการมราคะแล้วก็พอเกิดการมราคะก็จะเกิดปฏิคะเกิดความหงุดหงิดในอารมณ์ไม่มีความสุขอ ย, อย่างนะครับปฏิคะการมราคะได้ก็ต้องไปเสพไปร่วมเพศกับผู้อื่น แต่การไปเสพไปร่วมเพศกับผู้นี้ไม่ได้ทำให้การมาราค้าปฏิกะหายไปอย่างถาวรเองแต่ทำให้มันระ ง, งับการแสดงตัวไว้ชั่วคราวพอได้ร่วมเพศกันการมาราค้าปฏิกะก็จ ะ, ะหยุดการแสดงตนไว้ชั่วคราวแต่พออีกสักพักหนึ่งการมาราคะนี้ก็จะผู่ขึ้นมาใหม่ จะโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะไปเสพเรื่องเพศกับใครมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะกำจัดการมราคะและปฏิฆะนี้ให้หายไปได้อย่างถาวรวิธีที่จะใช้ในการละการมราคะปฏิฆะไได้อย่างถาวรนี้ต้องใช้อุบายของปัญญาปัญญาก็คือเห็นความไม่ไม่ เชยงแท้แน่นอนของร่างกายว่าร่างกายมีทั้งส่วนที่น่าดูน่าชมและมีส่วนที่ไม่น่าดูน่าชมถ้าไปเห็นส่วนที่น่าดูน่าชมของร่างกายก็จะเกิดการมวลาคาขึ้นมาเกิดความอยากร่วมเพศขึ้นมาแต่ถ้ามองไปอีกมุมหนึ่งมองไม่เห็นในส่วนที่ไม่สวยไม่งามเช่นเห็นเวลาที่ร่างกายตายไป เวลาร่างกายตายไปต่อให้เป็นดาราในแบบนังแบบหรือ่บุคคลที่ทางโลกยกย่องว่ามีรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลาสวยงามแต่พอเห็นเป็นกายเป็นคนตายไปเมื่อไหร่ก็จะไม่มีใครอยากจะร่วมเพศด้วยฉนะยนั้นต้องมองซากศพคิดถึงซากศพของคนที่เราเห็นว่าน่าดูหน้าชมน่ารักน่าร่วมเพศด้วย หรื อ, อมุมหนึ่งก็มองเข้าไปข้างในใต้ผิวหนังของร่างกายผิวหนังนี้ปกปิดอวัยวะต่างๆที่ไม่น่าดูน่าชูของร่างกายเอาไว้แต่พอใช้ปัญญาพิจารณาปัญญานี้ก็สามารถเห็นทะลุผิวหนังเข้าไปได้ mm hmm. เห็นอาการอื่นๆที่อยู่ภายใต้ผิวหนัง mm hmm. เห็นเห็นโครงกระดูก mm hmm. เห็นปอด mm hmm. เห็นตับ mm hmm. เห็นหัวใจ mm hmm. เห็นลำไส้เป็นต mm ้น hmm. ถ้าสามารถมองเห็นอสุภะในร่างกายได้ก็จะสามารถละการมาราคะและปฏิฆาได้ขั้นที่สองนี้คือพันุ์ขะสกิดาคามีนี้การบรรลุเป็นขั้นที่สองได้นี้ก็คือสามารถละการมาราคะและปฏิฆะได้ทําให้เบาบางลงได้ คือลดกำลังของการมราคะปฏิกาได้ด้วยกำลังของการเจริญอสุภกรรมฐานแต่ไม่ได้สามารถที่จะเจริญได้ตลอดเวลาเวลาที่เจริญอสุภะกรรมฐานเวลานั้นการมาราคะก็จะไม่แสดงตัวเวลาที่ไม่ไม่เห็นกาไม่เห็นอสุภะไปเห็นสุภะแทนเวลานั้นการมาราคะก็ยังแสดงตัวได้ อันที่สองนี้ท่านบอกว่าได้ทำการมาาคะและปฏิฆะให้เบาบางลงไปแต่ยังไม่หมดสิ้นไปเพราะยังไม่สามารถเจริณั ส, สุภาพให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นหน ส, สุภาพตลอดเวลาได้บางเวลาก็เห็นว่าสวยว่างาะบางวันเวลาก็เห็นว่าหน้าเกลียดหน้ากลัวก็เลยยังมีมีความอยากเสพการมาาคะอยู่แต่ไม่มาก เหมือนกับขั้นที่หนึ่งขั้นพระโสดาบันนี่อันพระโสดาบันนี้ยังไม่ได้เจริญอสุภะเลยการมาราคะก็มีอยู่เต็มร้อยแต่พอมาเริ่มเจริญอสุภะกรรมาฐานเริ่มเห็นความสวยไม่สวยไม่งามของร่างกายความอยากจะเสพ ร, ร่วมเพศกับผู้อื่นก็จะเบาบางลงก็เหมือนกับลดลงห้าสิเปอร์เซ็นร้อยละห้าสิบเมื่อก่อนนี้ร้อยเต็มร้อย เห็นร่างกายของกายจะเห็นว่าสวยว่างามทันทีมีความอยากจะร่วมเพศทันทีแต่ตอนนี้พอได้เจริญอสุภะกรรมฐ า, านอยู่บ่อยๆเวลาเห็นบางครั้งเวลาเห็นร่างกายที่สวยงามก็นึกถึงอสุภะขึ้นมาการมราคาที่เกิดก็ดับไปชั่วคราวลดลงไปชั่วคราวอันนี้เป็นขั้นที่สองทำให้การมราคาและปฏิกะสังโยชน์ข้อที่4ข้อที่ห้านี้ เบาวางลงได้แต่ไม่หมดไป <c oughs> ต้องรอถึงขั้นที่สามขั้นพระอนาคามีขั้นพระอนาคามีนี้ท่านจะเห็นอ ส, สุภะตลอดเวลาเห็นร่างกายของใครก็จะเห็นทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังเห็นเวลาที่กลายเป็นซากศพขึ้นมาทันทีถ้าเห็นอย่างนี้ตลอดเวลาการมราคาก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นมาได้อีกต่อไป ก็จะบรรลุ ข, ขั้นที่สาม ข, ขั้นพระอนาคามี <c oughs> ข, ขั้นพระอนาคามีนี้จะไม่มีความยึดติดไม่มีความยิน ด, ดีกับเรื่องของกามอีกต่อไปอมไม่มีความสนใจที่จะหาความสุขจากลาบจากรูปเสียงกลิ่นรสราบยศสรรเสริญราะเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นไยรักเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าได้ขั้นที่สามแล้วดวงวิญญาณที่เคยกลับมาเกิดในกาลมาภพนี้ก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปภานาคามีนี้จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ยังไปติดอยู่ในรูปภพหรืออรูปภพ <c oughs> เพราะว่ายังมีสังโยชน์ยังมีความยินดีในความสงบของฌานขั้นต่างๆอยู่จึงต้องไปละสังโยชน์ที่เหลืออีกห้าข้อด้วยกัน เรียกว่าสังโยชน์เรื่องบนสังโยชน์เบื้องเรื่องล่างนี้เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายสังโยชน์เรื่องบนนี้เกี่ยวกับเรื่องจิตใจจิตใจยังมีกิเลสตัณหาครอบงำเกี่ยวกับเรื่องจิตใจอยู่ก็เลยต้องไปละสังโยชน์อีกห้าข้อที่เหลืออยู่ให้หมดไปถึงจะสามารถออกจากรูปภพหรืออรูปภพและเข้าสู่พันธิพานได้ตามลําดับต่อไป สัโยชน์ที่เหลือข้าข้อก็มีความยินดีในรูปฌานเรียกว่ารูปราคะความยินดีในอรูปฌานคือความเรียกว่าอารูปราคะแล้วก็มีโมหะมีมานะยังมีการถือตนถือตัวอยู่แล้วก็มีอุทธั จ, จะความฟุ้งซ่านอยู่แล้วก็มีอวิชชา ยังไม่เห็นอริยสัจสีอย่างละเอียดชนิดที่ละเอียดยังไม่เห็นไตรลักษณ์ที่ชนิดที่ละเอียดคือไตรลักษณ์ของจิตจิตก็เป็นไตรลักษณ์เหมือนกันเป็นเหมือนร่างกายจิตก็มีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงจิตก็ยังหลงคิดว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่ยังถือตัวถือตนอยู่จิตยังติดอยู่ในความสงบของรูปฌานและอรูปฌานอยู่ หลังยนเหล่านี้ก็ต้องใช้สติปัญญาเช่นเดียวกันคือใช้อริยสัจสี่ใช้ใจรักษณ์แล้วก็จะเห็นเวลาที่เกิดความอยากก็จะเห็นอริยสัจสี่เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอยากได้รูปฌานอยากเข้าสู่รูปฌานเวลาที่อยากแล้วไม่ได้เข้าก็จะเกิดความหงุดหงิดแต่จะไม่ใช่เป็นความหงุดหงิดในระดับของโลกียะ แต่ก็มีความหงุดหงิดอยู่ภายในใจลึกๆอยู่ <c oughs> ก็รู้ว่าต้องกําหนัดต้องต้องกำจัดตัวนี้ด้วยการเลิอกอยากเสพรูปประชานรูปประชานเพราะรูปประชานรูปประชานไม่สามารถให้ความสงบสุขแก่จิตใจได้อย่างถาวรเป็นตายลักเหมือนกันเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เพราะมันเวลาเข้าได้ก็สุขเวลาไม่ได้เข้าความสุขก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ได้ ก็จะต้องเห็นตายลักษณ์ในรูปลาคะอารูปราคะเห็นตายลักษณ์ในมานะะว่าจิตไม่มีตัวตนจิตเป็นตัวรู้เท่านั้นเองตัวตนนี้เกิดจากโมหะอวิชชาสร้างขึ้นมาจากความคิดปรุงแต่งเพราะจิตนี้เป็นตายลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายูไม่มีตัวตนในจิตน ก็จะสามารถละตัวตนได้ทแทนที่จะเป็นตัวตนก็เป็นตัวรู้เวลาเห็นอะไรก็รู้เฉยเฉยไม่มีการตอบโต้ด้วยตัวตนใครด่า ก, ก็รับรู้เฉยเฉยไม่ตอบโต้ไม่มีอาการโกรธเกลียดโมโหเพราะว่าไม่มีตัวตนที่จะไปรับมีแต่ตัวรู้ไปรับรับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆรับอารมณ์ต่างๆด้วย ด้วยอูเบคาด้วยศักด์แต่ว่ารู้นี่ก็คือการละสังโยชน์ทั้งหมดที่เป็นตัวแทนของตันหากิเลตตันหานี่เองแต่ใช้ชื่อว่าสังโยชน์พอละสังโยชน์เบื้องบนอีก5้าข้อได้พะ้านาคามีก็จะกลายเป็นผ้าอารหันขึ้นมาพอเป็นผ้าอารหันแล้วก็ก็ออกจากสังสารวัฏ ออกจากตายพบไปโดยอัตโนมัติเข้าสู่พระนิพพานไปเหมือนกับคนที่ติดคุกอยู่พอพอพ้นโทษปั๊บเมื่อไหร่ประตูของคุกเขาก็เปิดให้ออกไปได้ทันทีดันใดผู้ที่สามารถทำลายกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่ครอบงมจิตใจได้ครอบคําดวงวิญญาณได้พอไม่มีกิเลสตัณหาครอบงมแล้ว ประตูคุกก็จะเปิดขึ้นทันทีประตูของสังสารวัฏก็จะเปิดออกกำแพงที่มีอยู่สีด้านก็จะหายไปสามารถออกสู่คุกตารางของการเวียนว่ายตายเกิดได้ไปอยู่นอกคุกตารางนอกคุกตารางนี้เราก็เรียกว่าสังสารวัฏนี่อ้เรียกว่นนานิพพานเป็นที่ไปที่อยู่ของผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วก็คือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกเท่านั้น พาลิยะสาวกอีกสามขั้นนี้ยังไม่ยังไม่หลุดออกพระโสดาบันนี้ยังติดอยู่ในการมาพบอีกอย่างมากไม่เกินเจ็ดชาติก็จะสามารถออกจากการมาพบได้พะสกิดาคามีนี้ก็ยังติดอยู่ในการมาพบอยู่เพราะยังไม่สามารถชําระกับการมรลาค ก, กับปฏิฆะได้อย่างสิ้นเชิงเพียงแต่ทำให้เบาบางลงไป ก็เลยทำให้การกลับมาเกิดในการมาพบการมนเป็นมนุษย์นี้จะกลับมาเกิดอีกเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นเองแต่สำหรับพระนาคามีนี้สามารถละกามาราค้าได้อย่างเต็มร้อย<ม>ก็เลยไม่มีการที่จะต้องกลับมาเกิดในการมาพบมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่ยังไปเกิดอยู่ในรูปภพหรืออรูปภพอยู่แล้วต้องต้องไปเจริญ ต้องไปละสังโยชน์เมื้องบนอีกห้าข้อให้ได้พอละได้แล้วทีนี้ดวงวิญญาณก็จะออกจากรูประพบอรูประพบได้เข้าสู่พระนิพพานได้นี่คือลำดับของการปฏิบัติจิตภาวนาการพัฒนาจิตใจให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ของสังสารวัตรได้สิ่งแรกที่จาเป็นจะต้องมีก็คือคนรู้ทางก่อนคนรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางทางที่จะพาให้ผู้ปฏิบัตินี้สามารถชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้กำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้ การที่จะสามารถทำสิ่งนี้ได้ต้องมีคนฉลาดที่ค้นพบวิธีหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้ด้วยตนเองซึ่งนานๆก็จะมีคนประเภทนี้หรือดวงวิญญาณประเภทนี้ปรากฏขึ้นมาในโลกสักทาั้งงของของพวกเราก็ปรากฏขึ้นมาเมื่อ 2,500 กว่าปีที่ผ่านมาก็คือการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า ของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพ อ, อ, อ, อท่านเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วท่านเป็นผู้ที่ได้สะสมบา ร, รมีทั้งสิบมาอย่างโชคชนยังไม่แต่ยังไม่เต็มร้อยยังขาดบา ร, รมีบางคื อ, ค, อคือปัญญาบา ร, รมียังยังไม่มีเต็มร้อยออยังต้องมาเสริมสร้างการเจริญปัญญาบา ร, รมีต่อแต่บา ร, รมีอย่างอื่นนี้ท่านมีเกือบเต็มร้อยทั้งหมดแล้วบา ร, รมีที่จะทําให้พระโพ ธ, ธิสัตว์นี้มาตัดเจร เป็นพระพุทธเจ้าได้นี้ก็มีอยู่สิบบารมีด้วยกันคือหนึ่งเมตตาบารมีสองทานบารมีสศีลบารมีสี่นิคัมมะบารมีห้าอุเบกขาบารมีหปัญญาบารมีเจดอธิษฐานบารมีแดสัจจะบารมี 9. วิริยะบารมีน่สิบขันติบารามี การที่จะเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อมาตัตสรู้พระอนุตต ร, รสัมมาสัมโพธิญาณคือพระอริยสัจสี่และตายรักได้นี้จำเป็นที่จะต้องมีบามีทั้งสิประการนี้เป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจถึงจะสามารถเข้าถึงอริยสัจอันเปิเได้สามารถเข้าถึงตายรักความจริงของธรรมของสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงได้ถึงจะสามารถที่จะ ทำลายกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาที่ครอบงำจิตใจให้ติดอยู่ในสังสารวัฏในพบในตายพบแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นานนาถึงจะมีบุคคลเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งคำว่านานี้มันนานยิ่งกว่าที่เราจะเขียนได้ด้วยตัวเลขเราจะคิดว่าล้านปีนี่นานแต่มันนานยิ่งกว่าล้านปีหลายล้านเท่าด้วยกันเราเรียกว่าเป็นกลับเป็นกัน นานๆถึงจะมีดวงวิญญาณที่ประเสริฐที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เช่นมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็หลังจากที่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นนักบวชก็เห็นความทุกข์เห็นอริยสัจของการมาเวียนว่ายของการเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็อยากจะหาวิธีที่จะทำาไง ไม่ให้ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายไม่ให้ต้องมาทุกกับความแก่เจ็บตายต่อไปก็เลยต้องไปบวชออกบวชออกบวชตอนที่มีอายุ29ปีแล้วก็ไปศึกษาวิชาทางธรรมวิชาทางขั้นสมาธิสามารถเข้าสู่รูปฌานหะรูปฌานได้แต่วิชาทางปัญญาคืออริยสัจสี่และไตรักษ์นี้ไม่มีใครรู้ ก็เลยต้องไปค้นคว้าทดลองผิดทดลองถูกได้ด้วยตนเองจนในที่สุดก็พบอริยสัจสี่สัจธรรมของชีวิตว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นความทุกข์และความทุกข์นี้ก็เกิดจากตัณหาความอยากกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาการที่จะทําให้ความทุกข์นี้สิ้นสุดลงได้ก็ต้องละการมตัณหาภาวะตัณหาการที่จะทําให้ภาวะตัณหา หายไปได้กมามตัิหาภาวะัาหาวิภาวะัาหาหายไปได้ก็ต้องมีมรรคแปดมรรคที่มีองค์แปดมัชฌิมาปฏิปทาคือมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกปรความนำริชอบสัมมากรมมันโตการกระทําชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมาอาชิวอาชีพชอบสัมมาวายาโมวความเพียรชอบ สัมมาสติการละเลิกรู้ชอบและสัมมาส ม, มาธิความตั้งมั่นของของใจในความสงบชอบนะต้องมีเครื่องมือก็คือมรรคที่มีองแปดถึงจะมาสามารถมาเห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นทุกข์ได้และเห็นว่าการมาเกิดแก่เจ็บตายนี้ก็เกิดจากปัญหาความอยากทั้งสาม คือกามาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาราเจริบัญหาทั้งสามนี้ได้ก็ต้องมีมรรคที่มีองแปดเป็นเครื่องมือก็เลยมาสร้างเครื่องมือกันทุกคนที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเข้าสู่พระนิพพานนี้จําเป็นจะต้องปฏิบัติมรรคแปดด้วยกันทุกคนมรรคแปดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี้ก็มีบางครั้งท่านก็ทรงแสดงแบบแบบ แบบโดยย่อท่านก็จะย่อมรรคแปดมาเป็นไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาศีลนี้ก็ประกอบเป็นองค์ประกอบของศีลก็คือสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีวคนที่มีการกระทำชอบมีวาจาชอบมีอาชีพชอบก็คือคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปด ไม่มีอาชีพที่ไปทำให้ผู้อื่นไม่มีอาชีพโดยการทำทำทำผิดศีลนั่นเองคือไม่ทำบาปในการทรมาทมาหากินไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นเป็นวิธีเลี้ยงชีพของตนนี่ก็คือเรียกเรียกว่าศีลศีลก็มีองค์ประกอบของศีลก็คือมรรคสามข้อนี่สัมมากรรมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีว ส่วนสมาธิก็มีองค์ประกอบอยู่สามข้อของมรรคที่มาจากมรรคก็คือสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิความเพียรชอบเพียรเจริญสติให้มีสติและรู้อยู่ตลอดเวลาให้เป็นสติสัมปัชชะยะถ้ามีสติสัมปัชชะญะก็เรียกว่ามีสติชอบแล้วพอนั่งสมาธิจิตก็รวมเข้าสู่รูปฌานได้ก็เรียกว่ามีสมาธิสัมมาสมาธิชอบ นี่คือองค์ประกอบของสมาธิส่วนปัญญาองค์ประกอบของปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรนั่นเองความเห็นชอบแล้วก็ความคิดชอบเห็นงเห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากปัญหาความอยากจะละความทุกข์ให้ให้ความทุกข์หายไปได้ก็ต้องใช้ใช้มรรคคือศีลสมาธิปัญญา สัมาสังกปรก็จะคิดว่าต่อไปนี้เราจะต้องเพียรสร้างศีลขึ้นมาเพียรเจริญสตินั่งสมาธิเพียรเจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์อยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้หับตัญหาความอยากต่างๆได้นี่ก็เป็นมรรคเหมือนกันเวลาที่พทธเจ้าทรงแสดงธรรมอ้อในแต่ละครั้งบางโอกาสเวลาจะมีน้อยบางโอกาสจะมีมากบางครั้งก็แสดงโดยละเอียด บางคันก็แสดงโดยยอ่อแต่ก็ความหมายก็เป็นอันเดียวกันเป็นมรติที่มีองค์แปดเหมือนกันแล้วถ้าท่านแสดงมรติให้แก่ผู้ครองเรือนตอนที่ท่านแสดงใจสิกขาคือศีลสมาธิปญญานี้ท่านแสดงให้กับนักบวชพระที่เป็นนักบวชแล้วท่านก็เลยไม่ได้แสดงทานศีลภาวนา เวลาสแสดงทานศีลภาวนานี้ท่านจะสอนพวกที่ยังคลองเรือนอยู่พวกคารวะอะไรต้องเพิ่มศีลเพิ่มทานเข้ามาอีกข้อหนึ่งเพราะว่าคารวะยังมีเงินมีทองอยังอาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือดับความทุกข์ใจอยู่ซึ่งดับได้ชั่วครั้งชั่วคราวไม่สามารถดับได้อย่างถางวรเป็นบางคนมีเงินเวลามีความไม่สบายใจก็บินไปเที่ยวต่างประเทศกัน หรือไปซื้อของแพงๆมาใช้กันก็เพลิดเพลินกับความสุขที่ได้จากของหรือจากการไปเที่ยวชั่วคราวแล้วเดี๋ยวสักสพักก็มาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ก็ยังกลับคืนมาอยู่ดีพระพุทธเจ้าบอกว่าวิธีการดับความทุกข์ด้วยเงินทองนี้ต้องดับด้วยการเอาไปทำบุญทาทานพอเวลาทำบุญทาทานแล้วใจจะเย็นใจจะสบาย ถึงเมื่อจะคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ก็จะไม่รุนแรงเหมือนกับอตอนที่ไม่ได้ทําบุญทำทานเวลานเวลาเวล า, า, าแสดงมรรคสอนให้เจริญมรรคที่มี8นี้ท่านก็ย่อมาเหลือสามแต่เพิ่มขึ้นมาอีกข้อหนึ่งคือทานตอนญาตยโยมให้ทําบุญทําทานก่อนอให้ใช้การใช้เงินทองมาดับความทุกข์ใจด้วยการซื้อ ทำบุญทำทานที่จะทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาเวลาใจมีความสุขแล้วความหวาดกลัวความทุกข์กับเรื่องของความไม่แน่นอนของชีวิตก็จะน้อยลงไปแต่ยังไม่ได้ทำลายได้หมดแต่จะช่วยบรรเทาความรู้สึกทุกข์ให้น้อยลงได้เพราะใจเริ่มเย็นใจเริ่มสบายใจไม่ค่อยกลัวกับความแก่ความเจ็บความตายใจเข้าสู่ความสงบจากการทาบุญทาทานได้ แทนที่ยาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มอันนี้ช่วยไม่ได้ยิ่งกลับให้เกิดความทุกข์เพิ่มมากขึ้นเวลาเจอความกลัวเวลาเจอความแก่ความเจ็บความตายเวลาเจอความไม่แน่นอนของชีวิตนี้คนที่ไม่ทําบุญทําทานนี้จิตใจจะวุ่นวายกว่าคนที่ทําบุญทําทานสังเกตคนเวลาตกมันถล่มด้วยเวลาตกมันสั่นดูดูใจของคนว่าเป็นอย่างไรคนที่ทําบุญทําทานนี้ใจจะเย็นกว่าคนที่ไม่ได้ทําบุญทําทาน คนทำบุญทําทานนี้นใจร้อนใจหวาดกลัวขึ้นมาอย่างพุ่งปริ้ดขึ้นไปเลยแต่คนที่ทําบุญทําทานอยู่ด้วยใจนี้จะเย็นใจจะมีเหตุมีผลใจจะไม่ค่อยตื่นเต้นหวาดกลัวแต่ไม่ได้ไม่ไม่ได้หมายความว่าไม่กลัวแต่ความกลัวนี้จะน้อยลงกว่าคนที่ไม่ทําบุญทําทานพระพุทธเจ้าจึงสอนคนที่ใช้เงินเพื่อดับความความทุกข์ต่างๆนี้ให้เอามาใช้ด้วยการทําบุญทําทานแทน ทํากับวัดก็ได้ทำกับศาสนาก็ได้ก็ศาสนาก็มีคุณมีประโยชน์ถ้าไม่มีใครทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาต่อไปศาสนาก็อาจจะไม่อยู่เมื่อไม่มีศาสนาก็จะไม่มีเป็นไม่มีที่พึ่งทางใจได้ฉั้นชาวาพุทธเราส่วนส่วนใหญ่นี้จะพุ่งไปที่การทําบุญทําทานกับพระศาสนาก่อนเพราะเราเห็นความสําคัญของพระศาสนาเพราะว่าถ้าไม่มีศาสนาเราจะไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่จะมาสอนให้เรารู้จักวิธีดับความทุกข์ทางใจของเราได้ดังนั้นคนเราเลยคิดว่าเปการทําบุญทําทานนี้ต้องทํากับพระศาสนาเพียงอย่างเดียวแต่ความจริงแล้วไม่ได้หมายความอย่างนั้นการทําบุญทำทานนี้ทํากับใครก็ได้ทํากับโรงพยาบาลก็ได้บุญเหมือนกันทํากับโรงเรียนก็ได้บุญเหมือนกันทําบุญกับสัตว์ในละชานก็ได้บุญเหมือนกัน เวลาไปปล่อยนกปล่อยปลาหรือไปถ่ายชีวิตวัวควายที่เ ข, าเาข้าใจไปฆ่าเนี่ยมันก็ได้บุญเหมือนกันได้ความสุขใจสบายใจเหมือนกันนั้นการทําบุญนี้สามารถทําได้หลากหลายวิธีด้วยกันไม่ได้อยู่ที่การทํากับศาสนาเพียงอย่างเดียวนะทําแล้วมันจะทําให้ใจสบายใจเย็นลงใจไมว่ว่าวุ่นขุนมือไม่ไม่หวาดวิตกกังวลหวาดกลัวกับความทุกข์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะมี กำลังใจที่จะเผชิญกับมันอย่างสงบได้นี่คือพระเจ้ารย์หนึ่งต้องสอนญาติโยมที่ยังมีเงินมีทองใช้เงินเป็นเครื่องดับความทุกข์ให้มาดับความทุกข์ด้วยการทําบุญทําทา น, นเวลาทําบุญทําทานความทุกข์วุ่นวายใจนี้จะเบาลงจะน้อยลงความอิ่มใจสุขใจสบายใจจะมากขึ้นไม่เชื่อลองสังเกตดูเวลาเราไปทําบุญทําทานนี้ใจเราจะรู้สึกสบายแต่เวลาเราไปเที่ยวไปอะไร ใจเรายังวุ่นวายอยู่เวลากลับมาจากการไปเที่ยวมันก็ยังวุ่นวายเพราะมันไม่ได้ไปดับความวุ่นวายกลับไปเสริมความวุ่นวายให้มีมากขึ้นพอเวลาลไปเที่ยวมันมีความเพลิดเพลินพอเรากลับมาไม่มีความเพลิดเพลินมาเจอความจริงของชีวิตก็เลยวุ่นวายขึ้นมาอย่างง่ายดายและรวดเร็วนะใ น, นาการสอนาาคารวะพระพุทธเจ้างต้องสอนทานศีลภาวนาทานก็เป็นข้อ ข้อเพิ่มเติมเนื่องจากคารวะมีเงินมีทองอยังใช้เงินทองดับความทุกข์อยู่แต่เวลาสอนพระท่านไม่ต้องท่านไม่สอนทานเพราะพระทําทานไปหมดแล้วคนที่มาบวชนี้ต้องบริจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไว้หมดเพราะว่าเงินทองไม่สามารถมาดับความทุกข์ได้อย่างยั่งยืนถาวรได้อย่างเต็มที่ต้องมาใช้วิธีของศีลสมาธิปัญญาแทนพระพุทจ้าก็สอนทานศีลภาวนา ก็เหมือนกันศีลก็เหมือนกันแต่ศีลของพระกับศีลของโยมมัอาจจะต่างกันศีลของญาติโยมก็อาจจะเริ่มต้นที่ศีลห้าก่อนให้รักษาศีลห้าวันธรรมดาและวันพระก็มาลองรักษาศีลแปดดูแล้วก็แล้วก็มาหัดภาวนาภาวนาก็คือการเจริญสติการเจริญสมาธิและการเจริญปัญญานั่นเองดังนั้นสรุปแล้วทานศีลภาวนานี้ก็คือทานศีลสมาธิและปัญญา สอนเหมือนกันเป็นมรรคเหมือนกันเป็นมรรคที่มีอง์8เหมือนกันแต่เนื่องจากสถานภาพของคนนักเรียนไม่เหมือนกันวิชาการสอนก็เลยต้องต่างกันไปบ้างเหมือนกับวิชาที่เราเรียนในระดับประถมกับระดับมัธยมนี้เป็นวิชาเดียวกันก็ตามแต่ความละเอียดความนึกซึ้งมันอาจจะมากน้อยไม่เท่ากันอยู่ระดับประถมแล้วก็เรียนรู้ระดับหนึ่งพอ อ, อยู่ระดับมัธยมก็รู้มากขึ้นลึกเข้าไปอีก นี่ก็คือเรื่องของมรรคที่พระเจ้าทรงค้นพบว่าเป็นทางสู่การหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งสังสารวัฏได้ไม่ว่าใครก็ตามถ้าต้องการที่จะออกจากคุกตารางแห่งสังสารวัฏแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้จาเป็นที่จะต้องสร้างมรรคขึ้นมาให้ได้สร้างศีลสมาธิปัญญาหรือทั้งสร้างทานศีลภาวนาถ้ายังเป็นญาติโยมอยู่ก็เปลี่ยนวิธี ใช้เงินเพื่อมาดับความทุกนี้แทนที่จะไปซื้อเหล้ามากินแทนที่จะไปเที่ยวหาความสุขจากการเสพลูกเสียงกลิ่นรสก็เอาเงินไปทําบุญทําทานไปบริจากที่ไหนก็ได้ที่วัดก็ได้ที่โรงเรียนก็ได้ที่โรงพยาบาลก็ได้ที่ไหนที่เขาเดือดร้อนขาดแคลนต้องการความช่วยเหลือเวลามีภัยต่างๆเช่นแผ่นดินไหวนี่ก็มีภัยเนี่ยยังสามารถไปทําบุญทําทานกับพวกที่ไปกู้ซากศพที่อยู่ในตึกถล่มก็ได้ ได้บุญเหมือนกันทำแล้วจะมีความสุขใจสบายใจนทำบุญทําทานอย่าเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มเพราะมันเหมือนไปซื้อยาเสพติดเนี่ยการไปเสพรูปเสียงกินล้นนี่ก็เหมือนไปซื้อยาเสพติดมาเสพดีๆเองเวลาเวลาได้เสพมันก็มีความสุขเวลาไม่มีเสพมันจะทุกข์มันจะลงแดงมันจะทรมานเพราะว่าเงินทองที่เราใช้ซื้อความสุขวันวันหนึ่งมันก็อาจจะบกมันอาจจะหมดได้ แเวลาไม่มีเงินซื้อความสุขแล้วเราจะทํำยังไงเราก็จะเครียดนั้นอย่าไปซื้อยาเสพติดนะเสนะรูปเสียงกีดรถนี่เป็นยาเสพติดทั้งนั้นพแต่ว่ายาเสพติดที่เราเห็นเข า, เ, ขาเสพกันนี่มันเป็นชนิดที่รุนแรงที่สุดของรูปเสียงกีดรถนะแต่การไปเที่ยวนี่ก็เป็นเหมือนยาเสพติดอย่างหนึ่งเที่ยวแล้วมันก็ติดอยากจะไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆ เวาไปกินไปดื่มม he so ันก right, ็ติดมันก็อยากจะไปกินไปดื่มอยากจะมีปาร์ตี้เรื่อยๆอยากจะจัดงานเลี้ยงอยู่เรื่อยๆเวลาจัดงานเลี้ยงมีกินมีดื่มก็สนุกสนานเพลิดเพลินไปพอเวลาที่งานเลี้ยงสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ก็เศร้าเหงาขึ้นมาทันทีเอาเงินไปทําทุนทําบุญทําทานแล้วใจจะสงบใจจะสุขใจเย็นใจสบายถึงแม้เวลาไม่มีไม่มีเงินไปเที่ยวก็ไม่เดือดร้อนไม่มีไม่มีเงินไปกินไปดื่มก็ไม่เดือดร้อน ไม่มีเงินไปทำบุญทาทานก็ไม่เดือดร้อนเหมือนกันเพราะบุญที่ได้ทำจากการทำบุญทำทานนี้มันไม่ได้หายไปมันยังอยู่ในใจมันให้ความอิ่มความสบายใจอยู่เรื่อยๆนี่ขั้นขั้นต้นของการสร้างมากของคารวะผู้คลองเรือนซึ่งส่วนใหญ่พวกเราก็มาเป็นคารวาะกันก่อนทั้งนั้นพระที่ไปบวชไปปฏิบัติธรรมนี้ก่อนที่จะไปบวชไปปฏิบัติธรรมท่านก็เป็นคารวะญาติโยมกันทั้งนั้นไม่มีใครมาเกิดเป็นพระขึ้นมา พอเกิดมาปั๊บก็ขอพ่อแม่ไปบวชเลย <c oughs> ไม่ม <c oughs> ีเกิดมาก็ต้องเป็นคารวะกันหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องมือดับความทุกข์แต่การดับความทุกข์ด้วยเงินทองมันไม่สําเร็จมันทําไม่ได้ก็เลยต้องใช้วิธีเอาเงินนี้ไปดับความทุกข์ด้วยการทําบุญทําทานมันจะทําให้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้เบาบางลงไปนั่นเองแล้วทําให้ใจเกิดความอิมอ่มอิมอ่มเอิบ สบาย อ, อกสบายใจขึ้นมาอันนี้เป็นขั้นแรกของการปฏิบัติของคาราวะถ้ามีใช้เงินใช้ทองไปในทางที่ผิดก็เปลี่ยนวิธีใช้เสียเงินทองนี้มีประโยชน์สองอย่างสำหรับคาราวะาผู้ครองเรือนอย่างแรกก็คือมีไว้สำหรับเลี้ยงดูร่างกายอันนี้จำเป็นต้องใช้ต้องมีปัจจัยสี่ต้องมีเงินซื้ออาหารมีเงินซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มมีเงินจ่ายค่าที่พัก มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลแต่เราสามารถใช้แบบประหยัดได้ใช้แบบไม่ฟุ่มเฟือยได้เพราะว่าอาหารจะเป็นมื้อละร้อยหรือมื้อละ500อมันก็อิ่มเหมือนกันทําหน้าที่ได้เหมือนกันถ้าไม่ต้องไปเสียเงินต้อง500เพื่อจะทําให้ให้เกิดความอิ่มขึ้นมาในท้องในเมื่อเราใช้ร้อยหนึง่งมันก็ดับความหิวได้ทําความอิ่มให้ได้กับร่างกายให้เวลาใช้เงินกับปัจจัยสี่ต้องใช้อย่าง ใช้อย่างฉลาดอย่าไปใช้แบบฟุ่มเฟือยอย่าใช้แบบมัวเมาต้องใช้ของแพงๆต้องใช้ของแบรนด์เนมของแบรนด์เนมมันก็เอาป้ายไปติดเท่านั้นแหละแล้วก็ติดกันติดกับแบรนด์เนมถ้าไม่มีป้ายก็ถือว่าไม่ดีซะแล้วเอมันก็เป็นกระเป๋าเหมือนกันใช่ไหมใส่ของได้เหมือนกันควจริงใช้ถุงพลาสติกไม่ดีกว่าถูกจะตายไปถุงนั้นก็ไม่เปียกด้วยหา ย, หายไปก็หายไปก็ไม่เสียใจใช่ไหม แต่ถ้าไปซื้อกระเป๋าล้านมานนี่ต้องคอยกอดคอยหิ้วอยู่เนี่ย น, นี่คือความหลงคิดว่าซื้อของแพงๆแล้วจะมีความสุขมันไม่มีความสุขแบบมันเพิ่มความทุกข์สร้างความกังวลให้กับจิตใจโดยไม่รู้สึกตัวนั้นเวลาใช้ปัจจัยสี่เงินทองนี่มีไว้ใช้ปัจจัยสี่แต่ต้องใช้แบบประหยัดใช้แบบมักน้อยสันโดษ ย, ยินดีตามมีดังเกิดใช้น้อยๆเ่า ใ, ใช้เท่าที่จําเป็นเพราะการใช้น้อยๆมันจะได้ทําให้เรามีเงินเหลือเอาไปทำบุญนั่นเอง พอเรามีเงินเหลือเราก็เอาเงินที่เหลือจากการใช้กับการเลี้ยงดูร่างการนี้ไป<ม>ไปเลี้ยงจิตใจของเราการทําบุญนี้เป็นการเลี้ยงจิตใจของเราการการทําบุญทําทานนี้เหมือนให้อาหารกับใจของเราเวลาเราทําบุญต้นใจเราจะอิ่มใจเราจะสุขเวลาไม่ได้ทําบุญนี้ใจจะหิวโหยหิวโหยกับรูปเสียงกลิ่นรสหิวโหยกับการไปเที่ยวหิวโหยกับการไปซื้อของแพงๆแต่พอเราไปทําบุญแทงนี้ต่อไปเชื่อรับประกันได้ เ ค, เคยชอบของแพงๆเคยชอบใช้ของแพงๆของหรูหรานี้จะหายไปเลยเพราะเห็นประโยชน์จากการทำบุญนี้มันมีคุณค่ายิ่งกว่าประโยชน์ที่ได้จากการไปซื้อของแพงๆมาใช้ผลทางด้านจิตใจมันต่างกันทำบุญทาทานนั้นใจอิ่มใจสบายซื้อของของขอ ง, ของแพงๆมานั้นใจวิตกกังวลต้องคอยเฝ้าดูแลรักษาของที่ซื้อมาแล้วบางทีก็ไปเสียใจเพราะไปเห็นของที่มันแพงกว่าที่คนอื่นเขาใช้อยู่ แทนที่จะมีความสุขกับของที่ซื้อมามันก็กลายเป็นความทุกข์ไปเพราะว่าของเราถูกกับของเขา mm hmm. ก็ต้องดิ้นรนหาเงินมาเพื่อไปซื้อของที่แพงกว่าอีก mm hmm. ก็กลายกลายเป็นการแข่งขันกิเลสกันไปแข่งขันความความนั่ความร ว, วยกันไป mm hmm. แล้วพอแพ้เขาก็เสียใจทุกข์ใจไปอีกอันนี้อย่าไปใช้เงินแบบนี้เงินนี้มีประโยชน์สองทางใช้เลี้ยงดูร่างกายแล้วก็ใช้เลี้ยงดูจิตใจ เรื่องร่างกายพอเพียงแล้วมีเงินเหลือก็เอาไปทําบุญทําทานกันถ้าทําอย่างนี้ไปแล้วจะทําให้เราสามารถรักษาศีลได้ง่ายพอนี้ทําบุญทําทานนี้ใจจะเมตตามีความเมตตากรุณาจะไม่อยากเบียดเบียนใครจะชอบช่วยเหลือคนอื่นยังก็จะรักษาศีลไดอ้อย่างง่ายดายจะไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่โกหกไม่ดื่มของมึนเมาการรักษาศีลก็จะง่าย รักษาศีลห้าได้ก็สามารถไปฝึกรักษาศีลแปดได้ในวันพระได้อาทิศหนึ่งก็เอาวันหนึ่งมาเป็นวันรักษาศีลแปเพราะการที่จะฆ่ากิเลสกำจัดความอยากต่างๆนี้ก็ต้องเพิ่มศีลขึ้นไปศีลแปดก็จะมาการไม่ให้เราไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสคอยคอยตัดการมาตัญหาให้เบาบางลงไปเมื่อการมาตัญหาเบาบางลงไปด้วยการรักษาศีล เวลาไปเจริญสตินั่งสมาธิก็จะง่ายไม่มีนิวรณที่จะมาคอยขัดขวางก็จะนั่งสมาธิได้ง่ายพอมีสมาธิแล้วก็ไปศึกษาทางด้านปัญญาก็สามารถใช้ปัญญานี้มาละตัณหาต่างๆได้เพราะปัญญาจะสอนว่าความทุกข์ของเราเกิดจากกิเลสตัณหาความอยากต่างๆและสิ่งที่เราอยากได้มันก็เป็นทุกข์เพราะมันเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาพอเห็นด้วยปัญญาว่า มันเป็นทุกข์ทุกข์ทั้งที่ขณะที่อยากและทุกข์ทั้งขณะที่ได้ของที่เราอยากได้มาพะ ข, ของที่เราได้มาวันใดวันหนึ่งก็อาจจะจากเราไปก็ได้หรืออาจจะเปลี่ยนไปก็ได้คนที่คิดว่าเราเขาจะรักเราพอได้เขามาใหม่ๆเขาก็รักเราต่อไปทำไมกายเป็นมาเกียดเราขึ้นมาก็ได้เพราะใจเขาก็เป็นขอไม่แน่นอนหรือบางทีเขารักเขาดีกับเราแต่เขาเกิดอุบัติเหตุตายไปก็ได้เราก็เท่าโศกเสียใจกัน ถ้าเห็นด้วยปัญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นอริยสัจสิแล้วต่อไปก็จะไม่อยากได้อะไรอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับการไม่มีอะไรดีกว่าเพราะการไม่มีอะไรนี้ไม่มีโทษแต่อย่างใดเพราะการไม่มีไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการสูญเสียความว่างนี้ไม่มีการสูญเสียอยู่คนเดียวได้แตสนจะสุขแสนจะสบายเพราะไม่มีใครจะมาทําให้เราเศร้าโศกเสียใจได้เพราะเราไม่ได้พึ่งใครไม่ต้องอาศัยใครมาให้ความสุขกับเรา แต่ถ้าเราไปพึ่งใครไปอาศัยอาศัยใครให้ความสุขกับเราพอเขาจากเราไปหรือพอเขาเปลี่ยนไปความสุขที่ได้จากเขาก็หายไปความเศร้าโศกเสียใจก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีนี้คือการเห็นด้วยปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี้มันไม่เที่ยงเป็นอ น, นิจจังมันเป็นทุกข์เวลาที่มันเปลี่ยนไปหมดไปมันเป็นอนัตตาเราสั่งมันไม่ได้ควบคุมบังคับให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดไม่ได้ วันใดวันหนึ่งมันก็ยัต้องจากออกไปแต่เห็นอริยสัจ ส, สี่เห็นตายรักษณก็สามารถเลิกความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้พอไม่มีความอยากแล้วคุกตารางแห่งสังสารวัตรก็ประตูคุกก็ถูกเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเราก็สามารถเดินออกจากคุกตารางได้อย่างสบายเข้าสู่พระนิพานไปไปอยู่กับพระพุทธเจ้ากับพระอนันตสาวกทั้งหลายนี่คือเรื่องของสังสารสังสารวัตที่ที่เรียกว่าทัน ทนสถานหรือเลือนจาของดวงวิญญาณที่ยังอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาอยู่แต่ถ้ามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธเจ้ามีคำสอนของพระพุทธเจ้ามีตัวแทนมาสอนถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อน้อมนำอาไปปฏิบัติได้ก็สามารถที่จะออกจากกองทุกเหล่านี้ได้อย่างแน่นอนภายในภพนี้และชาตินี้มีผูท้ที่มีศรัทธาความเชื่อในคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำอาไปปฏิบัติ จนสามารถบรรลุเป็นพระอนันต์ได้ก็มีเป็นจำนวนมากแม้แต่ในยุคปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่เพียงแต่อาจจะมีน้อยนะ แ, และเราอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าเราอยู่ในวงการของการปฏิบัติต่อไปเราก็จะรู้เองว่าใครเป็นใครนี่คือเรื่องของสังสารวัตรที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 อระโสยทธาสภิติโยวิวัชชะโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีทีขายุโยภาวะอภิวาธนสีลิสนิจจังวุฒาปจายิโนจตารธรมาวัฏฐานติอายุวันุสุขัง ท่าลา่าช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกต่อการตอบคำถามถ้ามาหลังจากนั้นเราจะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยถ้าไม่อยากจะถามเอง <c oughs> ก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ ครับธรรมสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมนกกุฏิจากทางเ a c e b o o k 305หท่านทาง YouTube พระอาจารย์348สท่านทางด r V c h a n ร e วีชานลิหท่านทางวิทยูออนไลน์สิบท่านครับเ o าเจ7ท่านและนกุฏิหนึ่ง้ิท่านรวมทั้งหมดเป็น8 8ด้อปดท่านเจ้าค่ะ ั ม, มีคำถามฝากถามจากผู้รับฟังธรรมะนักุติเจ้าค่ะขอากาสเรียนถามพระอาจารย์ควรปฏิบัติอย่างไรกับหอยทากถ้าต้นไม้ที่ปลูกกำลังถูกหอยทากหลายตัวไต่กินในวงเล็บใช้ไม้เขียวหอยทากออกไปทิ้งก็ถังขยะ หรือปล่อยให้หอยทากไต่ต้นไม้ก็คิดถึงเวลาที่เราหิวข้าวเ้วเราไปเอาข้าวของคนอื่นมากินอยงแล้วควรจะทำยังไงองค์ศาตร์เขาหิวเขากินเ็าปล่อยกขากินไปไม่ใช่เรื่องของเราเท่าไหน่เจ้ค่ะคำถามจากทางเ c e b o o k จากคุณมนทนแสนสิริวัตถุมงคลช่วยได้จริงไหมครับถ้าช่วยได้ก็ไปนิพพานกันหมดแล้วนะ ไม่ต้องตกนรกกันหมดนะเราไม่ต้องตายกันหมดนะจากคุณรัฐวันจ้าฟังทำออนไลน์แล้วทำงานอย่างอื่นด้วยจะบาปไหมคะไม่บาปแต่มันจะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่เพต้องแบ่งใจไปสองที่งานก็ครึ่งหนึ่งฟังธรรมก็อีกครึ่งหนึ่งก็ได้ห้าสิบห้าสิบค่ะ การที่เราไปทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิในแต่ละวันจำเป็นที่จะต้องบอกให้ผู้อื่นมาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราด้วยไหมคะก็ทำไมต้องต้องไปบอกเขาด้วยล่ะมันเรื่องของเราใเจ้าค่ะจะคุณเนวินกลับเรียนพระอาจารย์สติปัฏฐานสี่ต้องทำทั้งสี่ฐานเลยไหมครับคือมันไม่ได้เป็นฐานเขาใช่ไหม สถิติปรานนี้สอนให้เราจเจริญสติขั้นที่หนึ่งไอมีสติเพื่อที่จะได้ไปนั่งสมาธิไอได้ได้ฌานได้อุเบกขาเมื่อได้ฌานได้อุเบกขาก็ไปศึกษาธรรมชาติของร่างกายของเวทนาของจิตว่าเป็นตายรักอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไปยึดไปติดก็จะทุกข์ถ้าไม่ยึดไม่ติดปล่อยวางได้ก็จะไม่ทุกข์นี่คือสถิติประฐานเป็นการปฏิบัติสมขั้นตอน ขันตอนแรกก็คือสัมมาสติเจริญสติอยู่เรื่อยๆพอมีสัมมาสมาสัมมาสติไปนั่งสมาธิก็จะได้สัมมาสมาธิจิตเข้าสู่เบคะแล้วพอมีสัมมาสมาธิแล้วก็ไปเจริญสมาธิฏฐิสัมมาสังกปรพิจารณาทุกอย่างว่าเป็นไตรักษอนนี้จังทุกขังนาฏตาก็เป็นการปฏิบัติสติสมาธิและปัญญาเป็นวิธีสอนสอนให้ปฏิบัติสติสมาธิปัญญาแต่ต้องทําเป็นขั้นตอน ไม่ใชมั่ว ก, กันรวมกันไปหมดไม่รู้อะไรเป็นอะไรต้องทําเป็นเรื่องๆไปเจ้าค่ะจาก facebook เจ้าค่ะกลับเรียนสอบถามสั ง, สงขารในปฏิจจสมุปบาทกับสังขารในขันท่าเป็นสิ่งเดียวกันหรือคนละสิ่งกลา้ากับสาธุค่ะอันเดียกันความคิดปรุงแต่งของใจของจิตสังขารนี่แปลว่าความคิดปรุงแต่งส่วนใหญ่ไม่ได้หมายถึงร่างกายร่างกายนี้เราเอ า, เอามาใช้ ในภาษาไทยนั้นเองบางทีเราเรียกร่างกายว่าเป็นสังขารแทนแต่สังขารจริงๆในในพระไตรปิฎกในคำสอนนี้หมายถึงความคิดปรุงแต่งในจิตในเป็นนามขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเจ้าค่ะจากย t ท b e กราบเรียนสอบถามพระอาจารย์ครับการที่เราจะไปทำบุญทำทานจะมีความคิดผุดขึ้นมาว่า เดี๋ยวคนอื่นจะคิดว่าเราทําไปเพื่อหวังผลตอบแทนถือเป็นนิวรณ์ไหมครับแล้วเราควรจะวานจิตอย่างไรครับแกลบขอบพระคุณครัก็ อ, อยู่ที่เราเราทําเพื่อหวังผลอะไรหรือเปล่าถ้าเราทําด้วยความประชดใจใครเขาจะไปคิดยังไงก็ห้ามเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาคิดไปให้เรารู้ความในใจของเรากระนั้นว่าเราทําเพื่ออะไรเชค่ะ จากเฟซบุ๊กสอบถามค่ะปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิอ่านหนังสือธรรมะร่วมได้ไหมคะทำทดีๆพร้อมกันเลยเลยยังไเราทำอะไรบ้างนะที่เรสอบถามค่ะปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิอ่านหนังสือธรรมะร่วมได้ไหมคะมันต้องยากเป็นวาระวาระไปถ้าเดินจงกรมก็เดินจงกรมอย่างเดียว นั่งสมาธิก็นั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ใช่นั่งแล้วไปเดินจงกรมมันจะทำยังไงท่านเดียวพร้อมกันถ้าอยากญ่านหนังสือธรรมะก็อ่านหนังสือธรรมะอย่างเดียว ท, ทําทีละอย่างจากยูทูบสิค่ะกลับนมัรคการเจ้าค่ะถ้าคุณยายอายุเยอะถือศีลสวดมนต์ทุกวันหากตายไปจะมีสุคติเป็นที่ไปไหมคะขอพระคุณค่ะก็อยู่ที่ว่าบุญเยอะกว่าบาปหรือเปล่า ถ้ายุนบุญมากกว่าบาปบุญก็ดึงไปสุขคติถ้าบาปมากกว่าบุญก็ดึงไปทุกขติถ้าเท่ากันก็ดึงไปไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เจ้าค่ะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามขอาการถามหลวงพ่อค่ะว่าเราจะสามารถดูหรือประเมินได้ไหมคะว่าคําพูดหรือการกระทําที่แสดงออกของอีกฝ่ายเป็นเพียงกิริยาหรือกิเลสขับเคลื่อนถ้าเราไม่มียาอย่างทราบแบบพระพุทธเจ้าเราก็ไม่รู้ ตาอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งถ้าไม่รู้ก็อย่าไปเชื่อเขาว่าเท่านั้นเดี๋ยวจะโบราณก็สาสอนว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจตายสงสัยไว้ก่อนดีกว่าให้เขาพิสูจน์ด้วยการกระทาว่าเขาทำด้วยความจริงใจหรือไม่สค่ะเราจะเข้าหาหรือวางตัวอย่างไรคะ เพื่อให้ครูบาอาจารย์เมตตาสั่งสอนขัดเกลาในสิ่งที่เราติดข้องอยู่เพื่อเป็นทางให้ก้าวหน้าในทางธรรมค่ะก็ต้องเข้าไปขอท่านเป็นอาจารย์เข้าไปศึกษากับท่านไปเรียนรู้จากท่านแล้วเราจะมีวิธี ตรวจสอบได้อย่างไรคะว่าสิ่งที่เราคิดทําและพูดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแก่ฐานะของเรากรณีการที่ไม่ได้ถามครูบาจารย์แล้วเราจะมีวิธีตรวจสอบใหม่เจ้าค่ะว่าสิ่งใดเหมาะสมไม่เหมาะสมควรหรือไม่สมควรอย่างไรการกระทํามันใดที่เกิดโทษก็ไม่เหมาะสมการกระทํามันใดที่ไม่เกิดโทษแต่เกิดแต่คุณประโยชน์อันนี้ก็เหมาะสมให้ดูแค่ตรงนั้นดูว่ามีโทษหรือมีประโยชน์ เจ้าข่าจากคุณพลอยนภัสกราบในมัสการพระาจารย์ขอสอบถามผู้หญิงสามารถฝากตัวเป็นลูกศิษย์พระได้ไหมคะคือคือไปฝากอยู่กับท่านไม่ได้นะนะับถือท่านเป็นอาจารย์ได้เอาธรรมะคําสอนของท่านมาศึกษามาปฏิบัติได้แต่ไม่จําเป็นจะต้องอยู่ใกล้กันผู้หญิงกับผู้ชายนี่ต้องอยู่ห่างกันเพราะว่ามันเป็นเหมือนน้ํามันกับไฟอยู่ใกล้กันแล้วเดี๋ยวมันลุก เจกขึ้นมาค่ะาจากคุณที่คัธนาคำถามเมื่อทำสมาธิจนได้กำลังอุเบกขาจะทำให้เราทุกน้อยลงไปตามลำดับใช่ไหมเจ้าขาน้อมกลาบในความเมตตาของพระอาจารย์อย่างสูงชั้นคข า, า, คาใจเราจะเย็นใจเราจะสบายเวลาเกิดกิเลสใจก็ไม่ร้อนแล้วพอรู้ว่าเป็นกินเลสล้วก็สามารถใช้ปัญญาหยุดมันได้ แต่ถ้าเราไม่มีอุเบกขาพอเกิดกิเลสขึ้นมามันร้อนเป็นไฟขึ้นมาแล้วก็ไม่สามารถใช้ปัญญามาหยุดมันได้ฉะนั้นต้องมีอุเบกขาก่อนถึงจะมาสามารถไปศึกษาทางปัญญาเพื่อปัญญามาดับกิเลสได้แล้วอุเบกขานี่มันจะเสื่อมไหมคะอาจารย์ก็เสื่อมถ้าเราไม่ปฏิบัติอยู่เรื่อยๆมันก็เสื่อมได้เหมือนน้ํามันรถนะถ้าเราไม่คอยเติมเรื่อยๆน้ำมันรถมันก็หมดได้เวลาเข้าสมาธิก็เหมือนกับไปเติมอุเบกขา ออมาจากสมาธิก็เริ่มใช้อเบกขาไปทีละเล็กทีละน้อยเดี๋ยวมันก็พอใจเริ่มนอนกันรู้แล้วอเบกขาหมดแล้วต้องกลับเข้าไปเติมใหม่เจ้าค่ะจากอย่างทาง youtube ให้เงินพ่อแม่ไปเที่ยวจะได้บุญไหมคะให้เงินพ่อแม่ทุกเที่ย ว, วหมายถึงว่าเขาให้เงินพ่อแม่ไปเที่ยวจะได้บุญหรือไม่ก็แล้วแต่พ่อแม่เราให้เราได้บุญอยู่แล้วแต่อย่าไปสั่งว่าาไปเที่ยวนะ ให้พ่อแม่เอาไปใช้ตามาาาอัธยาศัยพ่อแม่อยากไปเที่ยวก็ก็เป็นเรื่องของพ่อแม่พ่อแม่อยากเอาไปทําบุญก็เรื่องของพ่อแม่ไปยกเว้นว่าถ้าเรารู้ว่าท่านเอาไปใช้สิ่งที่เป็นโทษกับท่านเราก็อย่าให้ดีกว่าถ้าท่านเอาไปเล่นการพ น, นันเอาไปซื้อสุร า, ายามเมามาเดิมนี้เราก็ซื้อของไปให้ท่านดีกว่าอย่าให้เงินท่านไปยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะมี่ค่ะอยากจะถามแไหช่วงนี้ ช่วงรอคำถามที่ยาส่งเข้ามาเข้ามาได้จ้ะหยิบไมไปอบอดีต้องเปลี่ยนทางก่อนกาพสการองหลวงพ่อที่เขาลบค่ะคือพูดดังๆเล่อยจ้ ะ, ะข้อที่หนึ่งค่ะหลายสิบ ป, ปีที่แล้วหนูนั่งขัดสมาธิค่ะแล้วพอนั่งปุ๊บจิตมันก็รวมสงบเลยแล้วก็พอนั่งราวหนึ่งชั่วโมงเนี้ยไม่ค่อยปวดขาค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นั่งไม่นานก็ ปวาข้อพับเข่าอะค่ะทําให้เข้าสมาธิยากอาจจะเป็นเพราะวัยแล้วก็กินน้ําน้อยด้วยอะค่ะแล้วขั้นน้อยควรจะพิจารณาอย่างไรดีคะข้อหนึ่งจุดหนึ่งคือพยายามทาใจทํากายให้ผ่อนคลายจะได้แบบคลายปวดแล้วมันจะได้เข้าสมาธิได้ง่ายๆอะค่ะกับข้อหนึ่งจุดสองคือพิจารณาความปวดจนถึงที่สุดแต่ว่าหนูหนูก็กลัวถ้าเกิดพิจารณาไม่สําเร็จเนี่ยเราก็จะเข้าสมาธิไม่ได้คือหนูอยากจะเข้าสมาธิค่ะคือคือข้อคหนค่งมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายการเข้าสมาธิอยู่ที่สติค่ะ ถ้าสติไม่ดีร่างกายจะดียังไงมันก็เข้าไม่ได้ค่ะก็คือต้องฝึกสติอย่าไปสนใจกับเรื่องร่างกายก็คือเออเราก็ไม่ต้องไปเลยสไม่ต้องไปมองมันใช่ใช่ห้มีสติแล้วสติมันจะทำใจให้สงบเองไม่ใช่ไม่ใช่ร่างกายที่ทําใจให้สงบยังยังช่วงหลายสิบปีก่อนหนูก็เคยภาวนาเลยนะอธอย่าไม่คิดถึงอดีตที่มันผ่านมาแล้วคะใช่ก็ต้องคือสร้างขึ้นมาใหม่รใช้เป็นปัจจุบันธรรมค่ะยังแต่ก่อนหนูพิจารณาอธิแล้วแบบ พิจารณาจนแบบมีช่วงหนึงอ่ะแบบเห็นกระโดกข้อมือน้องทำทัาทีแล้วกระโดกข้อมือเอ๊ะกระดดดนิ้วตัวเองค่ะแล้วมันก็ล่วงกาวพุ๊บลงไปหมดเลยเอก็ว่าใช่ใช่ก็ต้องก็งงงงคือเราก็ต้องหาปัจจุบันอะไรที่มันเหมาะกับเราที่พิจารณาอาจจะไม่ใช่อัธิแล้วก็ได้แล้วแต่เราอะไรที่มันเป็นตจรักที่มันก้าวหน้าใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะค่ะแล้วก็ที่สองนะคะ คังทแล้วที่หนูมาปฏิบัติชีพานทนี่ค่ะเราช่วงทำวัดเียน์องค์พระอาจารย์กับท่าน้าวว่าท่านนำธรรมวัดแล้วก็สวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยนั่งสมาธิค่ะแล้วแบบหนูก็ได้ยินเสียงเด็กผู้ชายประถมค่ะปรมตายเงี้ยแล้วก็สลับกับเสียงเสียงร้องไห้จ้างเงี้ยกับเสียงหมาเห่ายเงี้ยเด็กร้องอะไรอยงเงี้ยร้องแบบเสียกนมากเลยแล้วแบบหมาเห่าโ o e หนูก็สลับอันเงี้ยค่ะตลอดราจนแบบสงชั่วโมงเงี้ยหนูก็ไม่ได้คิดอะไรหนูก็นึกว่าเออเป็นลูกของคนที่มาช่วยงานของวัดนะคะแต่ว่า วันที่สองก็ได้ยินอีกแล้วทีนี้เอาสรุปได้ไหมคะคะได้ได้คือคือหนูสงสหนูจนนสงสัยว่าเออ อาจจะไม่ใช่มนุษย์แล้วก็ได้หนูก็เลยนึกว่าคนจะไม่เข้ามาทีิไม่ได้หนูคิดว่าคนจะแพร่เมตตาอีหรือเปล่าหรือว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปคิดว่าเป็นอะไรรู้ตามความเป็นจริงไม่รู้ว่าเขามารบกัวเราหรือว่าเขามาขอส่วบุญก็ไม่รู้ก็ไม่็นต้องไปสนใจทําไม่ต้องใจก็คือตัดอะไรทั้งที่รู้ว่าเป็นที่เราเห็นถ้าเราไม่แผ่เมตตาก็ไม่เป็นไรใช่ไหะเราไม่ใจร้ายไม่เป็นอะไรก็คือไม่ใจดํานะคะอาจารย์ค่ะค่ะแล้วก็ ฟังฟังไม่ได้ยุ่งองตาขึ้นมาหลายสิบปีแล้วว่าแต่ว่าปีนี้ไม่รู้ว่ามันจะจ ะ, จะเรียนถามพาาระอาจารย์ว่ามันเป็นกิเลสหรือว่าเป็นแบบความปิติในธรรมค่ะบอกว่าฟังพระเทศขึ้นมาเออถ้าไมได้ฟังวันไหนก็จะมหมดหงิ่เนี้ยถ้าเกฟังพุ๊ก็แบบดีใจเลยสดชื่นหายหงิ่งเนี้ยแล้วแบบถ้าเกิดพระองตอาเทศว่าอยู่ อ, อ, อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยปฏิบัติทางนี้ยพาาระอาหารองค์อื่นคร่ะอยู่คนเดียวดีกว่าอะไรเงี้ยหนูก็เพลงมันก็ขึ้นมาเลยแล้วหนูก็ร้องเพลงว่าอยู่คนเดียวถ้าจะดีกว่าเนี้ยอันนี้คือกิเลสหรือ เรื่นลังในธรรมที่ท่านเทศนะคะหรือว่าเกเรมันเข้ามาแทรกแล้อ่ามันอกาเกเมันต้องพาเราไปเที่ยวเลยแต่ถ้าถ้ามันพาเราไปทหารธรรมะมันก็ไม่ใช่เป็นเกเรอันนี้หนูฟังแล้วร้องเพลงเลยแต่ก่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้เรฟังแล้วร้องเป็นพลงตลอดเลยก็ไม่ควรจะร้องถ้าเราถือศีลแปดก็ไม่ควรร้องค่ะถ้าศีลหน้าไม่เป็นไรใช่ไหมคะแต่ก็ก็คือว่าแปลว่าเราไม่มีสติอ่าค่ะแล้วก็ข้อสี่ค่ะอัปนัสมาธินี่มันเหมือนหรือว่าต่างกับอารมประชานหรือเปล่าค่ะต่าง อานาสมาธินี้คือมันไม่ต่างคือมันเริ่มต้นดั้งแฌานสีขึ้นไปรูปฌานสี่แล้วอารูปฌานนี้ก็เป็นอัปานาสมาธิได้ทั้งนั้นก็คือมันเหนือรูปฌานสี่ขึ้นไปแล้วรวมทั้งรูปฌานสี่ได้โอ้ค่ะแล้วเออตอนเราทำสมาธิเจะรู้ได้ไงว่าเป็นอรูปฌานนะคะมันจะเป็นภาวะที่ไม่ดูเดืออ่ามันสูงเกินไปที่เราจะต้องไปคิดตรงนี้เข้ามาถึงอาอ่าแล้วประโยชน์ประโยชน์ของอรูปฌานมีหรือเปล่าคะทั้งทังโลกทังธรรมม่ค่ะสงบมากขึ้นนึกขึ้นสบายมากขึ้น มันเปิดแอร์ให้มันเย็นขึ้นใช่ไหมแต่แต่เหมือนว่าดูบางที่เขาบอกว่ามันจะทำให้แบบยังไงอะมันมัน ดิงเกินไปจนมันไม่สามารถจะพิจารณาปัญญาทําให้แบบตัดกิเลสได้เอทำสมาธิไม่พิจารณาปัญญาอยู่แล้วต้องออกจากสมาธิก่อนถึงไปพิจารณาแต่ว่ามันก็จะเป็นกําลังขันสงที่ว่าทําให้เราพิจารณาปัญญาต่อได้ยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งมีกําลังมากขึ้นอุเบขายิ่งมีแรงมากขึ้นก็คือถ้าถ้าจะดีก็คือแบบพิจารณาให้มาถึงขั้นนี้เลยแล้วก็จะออกพิจารณาปัญญาได้ดีขึ้นถ้าทําได้เอให้ได้รูปฌานสีขึ้นไปก็ใช้ได้แต่แต่ทำแล้วเกิดได้รูปฌานเออรูปฌาน้้ะะค่แลว การข้อที่สี่ค่ะการที่ยังอยู่ต้องอยู่ทางโลกอะค่ะหรือแบบว่าเอาจจะเจอปัญหาชีวิตหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าแม้กระทั่งการเตรียมเดินทางมาปฏิบัติธรรมเนี้ยแล้วก็เราจะก็จะต้องแบบมีสิ่งที่แบบพิจารณาเนี้ยเป็นอาจจะเป็นหนูก็ไม่รู้ว่าเป็นนิวรหรือว่าเป็นความรอบครอบของหลวงพ่ออย่างข้อที่หนึ่งแบบในการทำบทหาข้อมูลเปรียบเทียบในการเดินทางเนี้ยอย่างสมมติเราไม่ต้องมาหรือว่าอไม่เคยมาหรือว่าต้องเดินทางหลายต่อเนี้ยแล้วข้อที่สองก็คือแล้วเราก็พรเนี้ยแล้วก็กังวลว่าอุปสรรคที่เกิดจะเกิดขึ้น ในขนาดเดินทางมาหรือว่าขนาปฏิบัติธรรมเนี้ยมีสิ่งรอบกเ ร, รียกว่าขนาดกลับเนี่ยอันนี้มันคือ น, นิวรและเป็นความรอบครอบแล้วเราควรจะวางใจยังไงดีคะวางใจว่าอะไรจะเกิดก็เกิดเนี่ยแล้วเตรียมตัวไปให้ดีที่สุด แ, แล้วก็เจอเหตุการณ์อะไรก็ค่อยแก้ไปแต่แตก็คือไม่ถือว่าเป็นการกังวลจเนเกินไปใช่ไหมครับเป็นความไม่ประมาทก็แล้วแต่มันจะกังวลมากเกินไปหรือไม่ก็มันก็อยู่ที่เราแต่ก็คือเราเราก็ทําให้ดีที่สุดใช้สติปัญญาทําให้ดีที่สุดอทําให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะสาธุ ค่ะมีคําถามจากทางยูทูบค่ะพระอาจารย์คุณแม่นั่งสมาธิแล้วตัวลอยแล้วจึงกลัวแล้วออกจากสมาธิควรแนะนําให้คุณแม่คุมสติแบบไหนต่อครับพระอาจารย์เพราะผมยังไม่สามารถทําได้แบบคุณแม่ครับก็คุณแม่อยู่กับพุทโธไปเวลาเกิดตัวลอยก็ไม่ต้องไปสนใจมันให้อยู่กับพุทโธไปถ้าใช้พุทโธนะถ้าใช้คำอธิการพุทโธก็พุทโธไป ถ้าดูลงก็ดูลงไปเดี๋ยวอาการต่างๆมันก็จะหายไปใช่ค่ะคุณสุนาค่ะขอถามพระอาจารย์ว่าสภาวะญิพานเกิดในขณะนั่งสมาธิได้เลยไหมครับมันเกิดได้ในที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ไม่นอกสมาธิในสมาธิได้ในสมาธิเกิดไม่ได้เพราะตอนอยู่ในสมาธิมันนิ่งหมดต้องอยู่นอกสมาธิจะอยู่ตรงไหนก็ได้ เห็นใบไม้ร่วงก็เป็นนิพพานก็บรรลุนิพพานก็ได้แต่เรานั้น <horror> ต้องใช้ปัญญาถึงจะเข้าถึงนิพพานได้ไม่ใช่เข้าในสมาธิเวลาอยู่ในสมาธินี้ใช้ปัญญาไม่ได้เพราะจิตหยุดคิดต้องออกจากสมาธิแล้วคิดในทางปัญญาคิดในทางไตรลักษณ์อริยสัจสีก็จะสามารถบรรลุได้เจ้าค่ะคุณปารลีกราบนมัชการเจ้าค่ะ หากคุณยายดูหนังจีนทุกวันวันละหลายหลายชั่วโมงค่ะเวลาตายจิตจะอยู่ในความหลงใหม่เจ้าคขาขอบพระคุณเจ้าค่ะไม่รู้เหมือนกันนอะไม่อยากจะรู้เรื่องของคนอื่นเหลือเกินทำไมไม่สนใจเรื่องของตัวเองบ้างคุณนิมเพนภ า, าค่ะถามเข้ามาว่าซื้อสุนัขมาเลี้ยงได้บุญไหมคะได้กรรมได้ทุกข์ก็สิต้องมาเลี้ยงมันดีดีต้องเสียงเงินมาเลี้ยงมันเพรามัน รับใช้มันดูแลมันแล้วก็มาเศร้าโศกเสียใจเวลามันจากออกไปอีกแล้วเรื่องมาเลี้ยงทําไมแล้วก็ไปกักขังมันด้วยจะได้บุญตรงไหนได้บุญตรงที่เลี้ยงมันแต่เนขณะเดียวกันก็ไปกักขังมันเหมือนจับมันมาติดคุกงั้นถ้าจะเลี้ยงสายก็ต้องปล่อยให้มันอยู่ตามอิสระมันอยากจะไปที่ไหนเมื่อไหร่ก็เรื่องของมันไปแล้วให้ข้าวมันกินให้มันอยู่ได้ก็พอสร็จมันอยากจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมัน เจ้าคุณเดือนนภัถามเข้ามาว่ากลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะขออนุญาตสอบถามว่าเราจะรู้ว่าการปฏิบัติของเราเก้าวหน้าได้อย่างไรบ้างคะก็เราปฏิบัติอะไรนะถ้าเราปฏิบัติศีลห้ามันก็ต้องรักษาศีลห้าได้ถึงจะก้าวหน้าถ้ายังขาดอยู่มันก็ยังไม่ก้าวหน้าถ้านั่งสมาธิจิตสงบหรือไม่สงบถ้าสงบก็ก้าวหน้าถ้าไม่สงบก็ยังไม่ก้าวหน้า ค่ะคุณมนทนถามเข้ามาว่าคนคนจนเกิดมาจากเหตุอะไรครับคนจนก็เกิดจากเหตุส่วนหนึ่งก็คือชาติก่อนไม่ได้ทําบุญทําทานคนทําบุญทำทานก็เหมือนคนเอาเงินไปฝากธนาคารไม้มพอเวลาต้องการเงินก็ไปเบิกได้คนนี้ไม่ฝากเงินในธนาคารเวลาจะไปเบิกที่ธนาคารเขาบอกไม่มีไม่มีให้เบิกเหตนการทําบุญทําทานของเรานี่เหมือนกับฝากไว้ในธนาคารบุญ ขอชาติหน้าเรามาเกิดเงินเหล่านี้ก็จะมาหาเราเจ้าค่ะคุณใบบุญถามว่าทุกเศรษฐกิจปัจจุบันธุรกิจไม่ดีเป็นหนี้นั่งสมาธิไม่นิ่งดูจิตเดี๋ยวทุกแต่ฟังธรรมสงบควรปฏิบัติอย่างไงคะออกจากทุกได้อย่างขอคำแนะนำเจ้าค่ะก็ฟังธรรมไปก่อนทำใจให้สงบไปก่อนแล้วค่อย พิจารณาตายลักต่อไปว่าทุกอย่างในโลกนี้มีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาอามีรวยมีจนออมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมเราห้ามมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้มันเป็นอนัตตางั้นเตรียมตัวเตรียมใจไว้เตรียมจนบ้างอย่าเจ้าเอาแต่รวยอย่างเดียว เ, เ, เตรียมเสื่อมบ้างอาจจะถูกปลดออกจากตําแหน่งก็ได้อาจจะต้องสูญเสียคนที่เรารักไปก็ได้ ถ้าคิดเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนเวลาเกิดเหตุการณ์ใจเราจะได้ไม่ทุกข์กับมันเจ้าค่ะยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะโอเคก็พอกับเวลาพอดีขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธิ